มหาตัญหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัญหาสูตรใหม่ทิฏฐิของสาติภิกษุ396ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินพิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรเจ้าประมงมีทิฏฐิ ชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณ น, นี้นั้นแลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง ว่านั่นและมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้และมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปจริงหรือสาติภิกษุตอบว่าจริงท่านทั้งหลาย ผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะปลดเปื่องสติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาค การกาลาตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยปริยายเป็นอเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เรียง สอบสวนอยู่แม้อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่ว น, นั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไป เพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติ397ภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้น ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาครทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณ น, นี้นั้นแลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปข้าพระองค์ทั้งหลายได้สดับมาว่าสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาครทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณ น, นั้นแลมีใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไป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 ได้ตอบค่าพระองค์ทั้งหลายว่าจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่าวิญญาณ น, นี้นั้นแลมิใช่เอื่อนท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นข่าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติพิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนท่านสาติ ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้เคยตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยปริยายอเนกว่าประสจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ สาติภิกษุพผู้ถูกค่าพระองค์ทั้งหลายซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่แม้อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่ว น, นั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั้นแหลม่ใช่เอื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายไม่อาจปลดเรื่องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงมากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาตเิ398ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิด ภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาธิตพระาศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วบอกว่าท่านสาธิตพระาศาสดาตรัสเรียกท่านสาติภิกษุรับคําภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณ น, นี้แลไม่ใช่เอื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสาติวิญญาณ น, นั้นเป็นอย่างไรสาติภิกษุูนตอบว่าสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วนในที่นั้นนั้น เป็นวิญญาณพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคะบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่กใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากราวไว้โดยปริยายเป็นอเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากราวตูเราขุดตนเองและ จะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ399ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าจะพึงมีอย่างไรได้ข้อนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้ สาติภิกสุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศราหมดปฏิพานจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสาติภิกสุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศราหมดปฏิพานแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมฆบุรุษเธอจักปรากฏทิฐิชั่วของตนนั้น เราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตูเราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดหรือภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า ข้อนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่ฆ่าพระองค์ทั้งหลายโดยปริยายเป็นอเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละเดละเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้ว วิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไวโดยปริยายอเนกว่าปรสจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิิษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมคะบุรุษนั้นจเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนาน400ภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปั จ, จัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ์ก็นับว่าจักขุวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัทธารลมก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะและคันธารลมก็นับว่าคานาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาและรสารมก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโพัพารลมก็นับว่ากายวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรรมรมก็นับว่ามโนวิญญาณพิษุทั้งหลายไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็นับว่าไฟไม้ไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้า ไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศยัยมูลโคก็นับว่าไฟโมลโคไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศยัยแกรบก็นับว่าไฟแกรบไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศยัยอยากเยื่อก็นับว่าไฟอยากเยื่อแม้ฉันใดวิญญาณก็ฉันนั้นเหมือนกัน <un> เกิดขึ้นเพราะอาศยัยปัจใจใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจัยนั้ น, น, น วิญญาณที่เก so like ิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ์ก็นับว่าจักขคูวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัทธารมณ์ก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะและคันธารมณ์ก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาและรสารมณ์ก็นับว่าชิวหาวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโภทพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรรมารม์ก็นับว่ามโนวิญญาณปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันห้าสี่อภิกษุทั้งหลาย เธอทั around, okay. you know ้งหลายเห็นว่าขันห้าเกิดขึ้นแล้วหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเห็นว่าขันห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเห็นว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ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 มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะบุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันห้านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะบุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้น ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าบุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันหานี้ เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันห้านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือ เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันห้านี้เกิดขึ้นแล้วดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะหากเธอทั้งหลายพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้ว่าเป็นของเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรม ที่เปรียบด้วยแพ้ซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถือหรือข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าหากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้ว่าเป็นของเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรม ที่เปรียบด้วยแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถือหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิด402พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายอาหารสีชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ที่สแสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหารสีชนิดอะไรบ้างคือ 1. กาวะลิงการาหารอาหารคือคําข้าวหยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัดสาหารอาหารคือการสัมผัสส มโนสัญญาติอตนาหารอาหารคือความจงใจสวิญญาณาหานอาหารคือวิญญาณอาหารสีชนิดนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสีชนิดนี้มีตันหาเป็นต้นเหตุมีตันหาเป็นเหตุเกิดมีตันหาเป็นที่เกิด มีตัณหาเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิด มีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดผัสสะนี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิด มีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะนเป็นแดนเกิดสลายตนะนี้มีอะไรเป็นตัวต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตระนนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิด นามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีอะไรเป็นต <allegations ATH> ้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิด วิญ ญ, ญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นที่เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิด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 เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัญหาจึงมีเพราะตัญหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปยาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ 403. ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีมิใช่หรือหรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่า เพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าเรากล่าวแล้วว่าเพราะตัญหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะตัญหาเป็นปัจจัย อุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพระเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไร เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพระาะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะภัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไร เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี ในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าขา้าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีในเรื่องนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีมิใช่หรือหรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่า เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่า